ทุกความพิดพลังเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝาฟันขอเพียงใจเราทุ่ม ถึงวันเก่ามันคงจริงที่ทางยาวไกลกรอนหัวใจกับฟานากับความมืดนี้ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่เติมคลังให้ใจดูนี้ไม่ยอมแพ้ในค่ำคืนที่ แต่ฉันยังคงกล่าวไปยังคงมีรัก